ลแล้วจนกลวเจ้ามีสติแล้วปุ๊บนี่เวลาเจ้าจาิจ ะ, จะออกไปนอกปุ๊บนั่นเจ้าหู้หู้แล้วกเขามาหู้แล้วเจ้าก็ต้องเอื้อนมันเขามาดอกมันไปที่ียส่ปแล้เข้ามาแล้วโอ้ไปเรื่อยๆหู้จนกลัวว่ามันจะแตกออกมาเจ้าจิได้ปัญญาโอ้ข้าจาเข้าใจปโรจไอ้หลวงพ่อโอ้งโตแบบสื่อๆเลยขน้อยว่าบุญแม่หู้วเจ้าบังคับให้จิตอยู่มือแล้วก็เจ้าวยปล่อยมันออกไปเป็นสมงสองสมงปุงแจงไปแล้วบวได้เจ้าหู้นะทีนึ้ เจ้ากะไวขึ้นเจ้าหู้ขาดจะบิตออกะเครืงง่งสมิมหานาทีหานาะทีานะทจ้าห่อะไวหู้งออกไปหู่ทข้างในกะว่าแบบคิดเป็นหนูเป็น แ, วแนวอะไรขานกะ <c oughs> เบา <c oughs> เป็นว่าสองสมูงหลวงพ่อตัวเองแว่าเผาตัวเองยังไงเลยแต่ว่าเบลเหลือนะแต่ว่าออกไปขึ้นเอาวจนยอมพับเลยคนติปฏิบังโทหลวงพ่อแปว่านุมวัาสาุกูขางบอกว่าเดี๋ยวนี่นะจะเฝ้าอนุัมทนาสาุูเอข้าไดนว่าเจ้าเขามีฮอตซีดีหลวงพ่อเทียตั้งหกปีเ็หลังแต่เขาว่าเอาขนะ้งว่าโดย ไอ้คัมใหญ่ที่ดี้หลวงพ่อออกไปอีกมาปฏิบัติหนึ่งออกไปมดัดรถที่ดี้ของหลวงพอ่อเทียนหลวงพ่อมาหาดิเรกใหญ่ออกไปมแล้วคํะมาหลวงพ่อมหาดิเรกสีดังวันนี้แหม้วันจะใหญ่ออกไปมัดกูตี้ใหญ่ค่ะน้อยเบ้าน่ะนะพนนเพราะว่าวันนี้มีือแต่หลวงพ่อมาหาดิเรกที่มาโคตรค่น้อยว่ะพอเทียนพันตายแลกใหญ่ที่ดี้เกาไปแดงแล้ววันนี้มีหลวงพ่อมหาดิเรกมานำพาจ่ายนี่ยู่กับ่าซันแหละแล้วขน้อยบอกว่าแต่ละคนะนะค่ขน้อยว่าต้องพิสูจ น, <c oughs> น, น์คือขน้อยเจ้ากับเบ้ารุได้ ว, ว่ะเตย เพราะว่าเบี่หันบริสุทธิ์เหลือเกินเพราะว่าบ่มีปฏิบัติใส่คือลมาใส่ตรงนี้แล้วจะเก็รดรถเขาว่าวนเะขาหันไหลยางแต่ว่าขน้อยกับว่าธรรมดาแล้วปฏิบัติทมาต้องมีนิวรนสงสัยเห็นเจ้าออกหมดเจ้าจัดจ้าสิพิสุดภายในทิศเดือนหนึ่งยุบไปรถดดขนน้อยว่านะวนาดมวนเหงาเหานอนต้องพา น, นีวร์ขั้นบมขั้นไปถึงนิวรณ์ถึงแล้วขน้อยว่าเพราะว่า <c oughs> นิวรนหมายถึงสิ่งขวางกั้นข้บ่มสิ่งขวางขั้นเจสิไปทางพุทธถึกถึกขัินน้อยว่ามันสบายเกินไปขั้ บอางในบ้าวเออขา้ า, างในบาโอ้มันม้นนครคเนตายนครนสวามไปหดเร่องจังรวนั่นไปหมดแล้ว่าชักไปบาดีค่าแต่ให้กศิษย์อาจารย์ิวอาจารย์เรียนมา โอ้ข้าเจ้าคิดคอนเฟร์ก่อเจ้าฟังโอ้ขเจ้าว่าโอ้ยเยวัันโอ้ข้าเจ้ายอมัขาน้อยก็เบายได้ข้าเจ้าขวาขาเจ้าฟังข้ามากเลหมดเจ้ามตสมาธิจือายากเ่กีเลยปัญได้แต่ว่าเจ้าต้องเห็นตัวนี้ถึงจริเรม่เอียดนะมันะข้ากุนะ ปุถุชนคนธรรมดาคือหมดขน้อยนี่นะเอาทํามาให้มันสิไว้คนต้องเป็นขน้อยเราแท้ถูกหลวงพ่อไปสูงเกินกลัวที่ว่าพวกที่วะขึ้นด่าขาาึ้นอย่างนี้พวกที่ว่าเขาอยู่อนุตางะหลวงพ่อไปเอามหาวิญญาณสอนเขานี่โอ้ของม้งยังตายหลวงพอ่อแาขน้อยเขาใช้ <c oughs> พวกปุถุชนขน้อยสามพ่อเหมือนเขาไม่ป็นคนธรรมดาคนหมดเขาไา ม, พมาไ่พูดจักรจี้จุดจักรในหลวงพ่อโดยมันพูดทางวายพูดจุดออนจักมาที่แทหลวงพอ่อ <c oughs> แต่ว่าข้น้อยก็บอกแหละโอ้ยวะเดี๋ยวนี้นะจิเล็ตนะกิเล็ต ยันเน่ยแต่มันสลาดได้มันพูดจุดอ่อนเขากิเนเลตเทากัพูดจุดอ่อนมันเขาต้องทำลายจนวัตถิเลตมันยอมค่ะพูว่ามันเอาเขาบดได้เขาพูดจุดอ่อนมันตวอยางง่วงนอนนี่แหละมันหู้เลยนะว่าเขาหู้มันมันคืเข้ามาหนีเขาพูวิธีที่สลายมันมันคืเข้ามาแย่งเขาอีกออกมาแทนานอารมณ์นี่เขาได้ทผ่านแล้วอ ว่าโอ้โนดผค่มาใช้พังจ้เมียเจ้เต้เจาผู้ังโอ้ยขาเจ้าเสกตอนนี้มันพอมาหออเมริกาให้ผูกัพวกยุโรไกพวกฝรั่งเขาเสื้อใหญ่เนี่ยนะได้เรื่องได้เหลืองเนี่ยอมแเลยแบบธมไ ก, ก่โดยทํามาไก่จะมาฟังโอ้ธรมาไก่จะนุ่กกยไป ข้าน้อยว่ามันจะเล่าเจริญพยเจิญแล้วพิสูจน์เบิงแต่ขน้อยจะจี้ว่ะเวลายกกันนี่ยยกทิ่มซื้อขันออกไปนอกขายกหลนกรเมยเพ่งแต่นนี้ประนยอปัญญาพวกเกิน้ว่าพวกเราจะไปบังคับจจ่ะเกด้ตื่นแล้วได้หลุมพอพอสมถะขาเจ้ามันข้เจ้าเพ่งไม่ดีที่เหี่ยวจบรุดแล้วใหทำหนี้ได้เรื่องเอาเอามาลเชคอนเร์นอ่าน้องสาวรด โอ้ยายคำโมเมนธรรมดาเพราะว่ายายคำมันเื อ, อยุฟลังแรกวันตาหลวงโพคนเสือเราอยู่แล้วเราก็มีบุทางนี้อยู่แล้วถ้าผมเสือแล้วไหมตันี้อีกแล้วไม่เห็นกับมาถ า, ถานไผ่กระถามเราหมดที่พลแล้ววะยายคำามาเห็นกับมาถานได้ไผกระสนใจมายายคาก็เลยจัดการวันนี้ยายคาโมเมนต์ใหญ่ป้าทูลสานารฮิทคอนเฟน์คนเิมอีกโอ้ยายคำย่านสมมาอนเขาลงจัก <c oughs> เดี๋ยวว่าส่งให้น่องซอยเหลือกับนหลวงพอ่อโดยเฮ้ยพี่นางั้นโดยปีน่นาจะได้ซวนพี่นาจะได้ซวนมาริสาไปทั้งเลยเช่นเนาะโดยได้ว่าแล้วเขาได้ว่าวกับพี่มาริสาแล้วต้องไปพลังน้ำกันเดทพี่มาริสา <c oughs> โอเคอเดมาสนิทมาต้องไปหน้าใดเขากันอยู่หลวงพ่ อ, พ อ, อนี่ยเลยพี่นาเพิ่งเิดฉากย้าอย่างใดบอกบอกัวทั้งคณะดาพอกช่วตมารวมน้ำได้โตแคนี้บอหลวงพ่อเออบอกเทีนพูนทียพลังมันนดอก ไปพวกคณะดาดีต้องเอาส่งไปโน่นอยู่ที่อัรั่งนี่คืพวกคณะดาดย่านเขามาไม่จ่าหลายคนมันใกล้อ๋อเดแต่โดยพอมาทางนี้มันใกล้ทางนี่ด้ไม่ว่าพวกนี้นี่ที่ก็ได้ล้มจะนี่เมซิอาโต้าากานี้เด็กว่าจานเรียนนี่เขาไปสมาธิเป็นเดือนเป็นอย่างนั้นพลตื่นเลยตายสังพล ว, ว่าเฮ้ยเาพวกนี้ได้จังไง น, นโอ้เป็นคาทางพุทธมากระดองแล้วไปางนี้เหรอวะว่กันย เอาเอาสอยเหลือกันมาพอเ้ออีสบามกับเอาสิละเจ้างั้นหลวงพ่อเขียนงแต่ก็เตรียมตัวกันดีๆได้ไหโดยโดยสาคัญไม่หลวงพ่อเขียนเล่นะแต่จะเล่ากันละขน้อยเอาหลังปู่มีกัเล้าเลยบอกอาจารย์เขียนว่าเ่นี้นี่พวกกันหลวงพ่อยังมา่อยอาจารย์เขียนเป็นที่อาจารย์เขียนสังเกาสี่ปแป๊สิ่ันยยามมดช่ไอาจารย์เขียน แต่ว่ายยสุวรรณนาถึงที่ว่าทรมาไกยนั่งอย่างก็โดยสุวรรณนาไมธรรมาไก่แบบจัดพอจะบัตรกบินน่ะนั่งเราเนี้ยแต่เราก็ไปอาศัยอาจารย์เขียนเรื่อยๆอาจารย์เขียนเรื่องเรามาแล้วจักบอลในเฮาสามสิบบอลาสั่งโทรมาบอกลุงบุนนีแล้วลุงบุญมีโทรบอกเขาหน่อยสุวรรณนาเนี่เป็นคนที่ทรมายอืที่หาคนนี่แหละมาจักบอลในเฮาแล้วเราสเข้าปฏิบัตินำลงบึงมาสั่งยัอิแต่เขาบอกเคยยกมือสุวรรณนานี่เคยยกมือน้าหลวงพอแต่บไปบมางไแล้วถอยที่บ มาคืนแ่บบนี้พอเานิโูเขาเอาดังกลับมาคืนเนาะดงั้นทวดาจึงพยายามซอยกันบอกใหพวกไอ้ไอเอโดข้อนฟอนนโดนแม่แล้วต้องไปซอยเหลือแต่ยางไงล่ะที่ได้อที่รับหลังคือที่อหมออ่อนสุภะหมอนี่ก็ะมทิพวรรหมอนทิพวรรณโดยจี้แบบนี้สินะังจมอยู่จมในหลวงพ่ออยู่ว่ะโอ๊ยมาเสียเวลานี้นี่เขาไม่กดาได้เขาไม่ถึงงานเขาไปทามเขาต้องงงอยู่ว่ะ อ่านอนอยู่ได้จังได้เ็วันยกมือแหะบุุส์โตนี่มันทรมานขนาดไหนเราจะตื่นมันทรมานไม่ยกตั้งเ็วันไอซี่หมอทนได้จังได้บุคุสร์โตเราตื่นรได้เาทนนั้นหนึ่งได้หลมพออสะดุ้งุ๊บแบบนึงแต่แม่แล้วมันทรมานได็หลมโอขันบ่ได้อารมณ์บุครโตยกจัเ็ดมือทั้งฟุ้งซ่านทั้งงวเงาทั้งเมย์นกูุท่า ใส่มูฮใส่มูฮอ่นเวคนธรรมดาเพราว่ามันเป็นคนระดับเดียวกันมึงบอกกันไงเนาะมาพูดทางลูกน้ากันอีกวัชิวิตจังดฮนาลงคอวยออกมาลูแต่อที่พบันกรไดมีลูกมีลูกเป็นอันอันแสบมีอย่างงัานญหอย่างเขาเล่าตัวเล่าว่าอ้าวคุณ่อกยิ่งช่วยตัวเองมได้สิปดซอยลูกได้จังไดมานี่อุกใจลูกก็เป็นนี่นั่นยูพ คนสิกับไปอ่ะต้คนแด ง, ง <c oughs> อง่ะันเราไปแบบแดบดๆๆนแนแสูงสงหลายนะแม่ลัักษณ์เนีดกเตอร์ที่ลัก์แต่ว่าขั้นที่ถึงสุดแล้วเราไปแล้วเราได้เลือดเราได้หหนุพอร <c oughs> ได้เรือดนะหลังเนียนเลยโดย <c oughs> ยกนต้องไลยแต่ว่าต้องให้ถึกแบกบค่โบคยกไปหลายแล้ว <c oughs> เป็นเพง แล้อนย้ายอาการย้ายดีขึ้นแล้ว